ตอนนี้ว่าคําว่านิพานนี่แหละท่านผู้ฟังมันเป็นเรื่องที่จะจําจะต้องคิดสําหรับนักศึกษาใหม่ๆไม่มเคยฟังจากครูบาอาจารย์ทั้งหลายว่พาพระ น, นิพานมีสภาพศูนย์หมายความว่าศูนย์จากสภาวะทั้งหมดแต่จะไม่ปรากฏเป็นกายโดยเอากล่าวอ้างขึ้นว่าถ้ายังมีการเกิดจุดตราบได้ความทุกข์ก็ยังมีจุดตราบนั้น ถ้าขนาดายความเกิดไม่ปรกากฏขณะนั่งตัว ท, ที่ว่าสิ่งทุกท่านท่านยังหมายความว่าพระนิพพานนิหมายที่ไม่เกิดตามที่เรียนกันมาตั้งในหลักสูตรทั้งทำโถครัอธิบายว่ามีสภาพเปพ็นคันควายลอยขึ้นบรรยากาศจะหาที่หมายที่ใดที่หนึ่งก็หาไม่ไอความจริงคําอธิบายอย่างนี้อาตมาเองหรือฉันเองก็ต้องขอประทานอาภัยต่อครูผู้สอน ทั้งอย่างไรก็ดีท่านก็เป็นผู้มีประคุณให้ความรู้เบื้องต้นแก่กันแต่สําหรับคําอธิบายที่กล่าวว่าพระนิพพานมีสภาพศูนย์มีอุปมาเหมือนควันไฟที่ลอยเป็นอากาศย่อมไม่มีที่หมายปลายทางชันใดข้อนี้ฉันจะต้องขอกล่าวว่าที่ท่านอธิบายอย่างนั้นท่านอาจจะอธิบายเข้าใจพลาดมาจากคําสอนของบุคคลใดบุคคลหนึ่งคนใด ว่าท่านเองท่านเป็นผู้ยังไม่ถึงซึ่งปณิพานธะ์และอาจจะคน้นคว้าตำลับตำลาทั้งหลายเหล่านั้นไม่ครบท้วนบริบูรณ์เมื่อฟังมาอย่างนั้นได้ดูตํารามาอย่างนั้นตําราเขียนมาอย่างนั้นท่านก็พูดมาอย่างนั้นจะไปเหม า, เาว่าท่านทําผิดหรือว่าพูดผิดโดยเจตนาก็หาไม่ได้เพราะการที่พูดตามตําราก็ดีพูดตามที่ครูบาอาจารย์สอนสืบอเลื่องเลี่ยงกันมาก็ดี ก็ถือว่าเป็นการพูดถูกตามที่ท่านรับฟังมาอันนี้จะไปโทษท่าทนว่าเป็นผู้ผิดเพราะการอธิบายโดยเจตนาลมก็ไม่ถูกดังนั้นแต่ว่าการกล่าวว่าพระนิพพานมีสภาพศูนย์อย่างนั้นพระพุทธเจ้าจัดว่าเป็นอุจเจต ท, ทิฏฐิคือเป็นมิจฉาทิฏฐิอย่างหนึ่งดันี้ท่าน เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็อยากจะพูดให้ฟังว่าพระนิพพานเป็นยังไงคำพันว่าพระนิพพานนี้เป็นสภาพละเอียดเป็นทิปอันหนึ่งสาหรับพูดถึงพระนิพพานแล้วย่อมจะพูดอย่างนี้คืวันพระนิพพานนี่เป็นทิปละเอียดที่สุดทู่นอกเหนือจากกามาวาจรสวรรค์หรือสมโลก สำหรับการมาวิจรสวรรค์หรือประมโลกอันเป็นส่วนโลกการโลกีอันนี้ย่อมตกอยู่ในวิสัยของโลกเมื่อสิ้นวาสนาบารมีแล้วก็ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์หรือเป็นสัตว์เลี้ยงานหรือลงนรกหรือเป็นเปรตอสุรกายตามอำนาจบุญบารมีที่เหลือของท่านนั้นๆหากว่าท่านบำเพ็ญกุศลไม่น้อยถ้าตายจากความเป็นมนุษย์ก็อำนาจสิ่งที่เป็นกุศลอุดหนุนในตอนต้น กุศลก็จะโดนบันดานให้ทะเลเกิดเป็นทวารดาบ้างไปเกิดเป็นภูนบนมบ้างเมื่อกุศลอำนาจกุศล น, นั้นสิ้นไปแล้วเหรือกรรมที่เป็นอกุศลกรรมที่เป็นอนกุศลี่จะดึงดูดท่านังหลายเหล่านั้นให้ตกลงอบายยภูมิคือเกิดนนรกบ้างไปเปรตนาศรกายเป็น ส, นสติสานหรือเป็นมนุษย์เพราะสภาพการเกิดเป็นมนุษย์ย่อมทำทั้งความดีและความชัว่ว ทั้งนี้ยกเว้นพระอ adya เจ้าตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปย่อมไม่สร้างเวรสร้างกรรมให้เกิดกบุคคลทั้งหลายเราอื่นสิ่งใดที่เป็นโทษที่เป็นอกุศลพระอ adya เจ้าตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปย่อมไม่กระทําให้ปรากฏกร น, นีกล่าวโดยสภาว่าของพระนิพพานพระนิพพานได้กล่าวว่ามีอานาจนอกเหนือจากอำนาจของวัฏจะคือความบนวัฏจะนี่เขาแปล ว, ว่าบน มันวนไปวนมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็เกิดเป็นเทวดาแล้วเกิดเป็นสัตว์โลกแล้วเกิดเป็นตรลย์แล้วเกิดเป็นสัตว์เลชั้นแล้วก็วนไปวนมาอย่างนี้ไม่สิ้นสุดเพราะยังตกอยู่ภายใต้อําหน่ายของกิเลสและตัณหาเมื่อท่านบูรเลยมีอําน่ายกิเลสและตัณหาสิ้นไปแล้วหมายความว่าทํากิเลสและตัณหาให้สิ้นไปเช่นสัจธรหัร์ ท่านทั้งหลายเหล่านี้มีแดนเป็นที่เกิดอีกอันหนึ่งเขาเรียกกันว่านิพพานนิพพานตัวนี้แปลว่าสภาพดับคือดับอำนาจของความทุกข์ทั้งหมดอํานาจของความทุกข์ที่ยังมีเกิดขึ้นได้ก็เขาอาศัยตัณหาสามประการคือการมะตัณหาภวะตัณหาวิภาวะตัณหากรรมะตัณหามีสภาพอยากได้สิ่งที่ไม่เคยมีอยากจะให้มีขึ้น ภาวะตันหาสภาพสิ่งใดที่หามาได้แล้วมีแล้วก็อยากแช่คงสภาพอีกอย่างนั้นไม่เปลี่ยนแปลงมิภาวะตันหาสภาพใดเมื่อเข้าถึงความเปลี่ยนแปลงซึ่งความสุดโตมกำลังจิตของบุคคลประเภทนั้นที่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของวิภาวะตันหาก็อยากจะฝืนกฎธรรมดาแค่เป็นคนแก่แล้วก็ไม่อยากแก่ร่างกายสุดโตมไม่อยากจะสุดโตมมาถึงเวลามันจะตายก็ไม่อยากตาย หาทางป้องกันระประการต่างๆถึงแม้จะรู้อยู่ว่าการป้องกันนั้นไม่ได้ผลก็พยายามก็ทําทุกอย่างเท่าที่จะพึงจะทําก็ทําได้อย่างนี้เรียกว่าอำนาจภมิภวะตัญหาในเมื่อตัญหาตั้งสามประ ก, การนี้ไม่สามารถจะครอบจันรใจจิตของท่านผูน้ใดท่านผู้นั้นเรียกกันว่าพระอาหารหันต์แล้วก็พระอาหารหันต์นี่แหละเข้าถึงสภาพของพระนิพพาน พระนิพพานอยู่ที่ไหนก็ตอบได้ไม่อยากพระนิพพานอยู่นอกสภาพของโลกคําว่าโลกจะเป็นมนุษย์โลกก็ดีเทวโลกก็ดีสุเมโลกก็ดีอันนี้ยังอยู่ในปลายใต้อันน้าของจินลรตัญหาพระนิพพานมีดินแดนอีกอันหนึง่งเป็นทิศที่ละใหญ่กว่าสุเมโลกอยู่ไกลาจากสรเมโลกขั้นสูงสุดไม่นาไม่มากนะักนี่เป็นวัดโดยระยะของความเป็นทิศ แล้วดินแดนอันนั้นท่นทนานถ้านผู้ใดไปแล้วต้องไม่กลับเบียนไม้ตายเกิดไม่วนไปวนมามีสภาพอยู่แน่นอนหมายความว่าเกิดในที่นั้นแล้วไม่มีการตายอีกสภาพของการเกิดไม่มีขันห้าอย่างมนุษย์มีสภาพเป็นทิพย์อย่างเทวดาหรือผมแต่ว่าละเอียดกว่านั้นของใสกว่านั้นสวยสดสวยงามกว่านั้นมีความสุขอย่างเดียวไม่มีความสุข คืงคิดว่าความขัดข้องนิดหนึ่งในอารมณ์ของจิตของท่านผู้เข้าถึงซึ่งพรนิพพานไม่มีพระนิพพานในถามว่าวจะถามว่าจะรู้ได้ยังไงอันนี้ตอบง่ากจะรู้ได้ด้วยดยการปฏิบัติถึงถ้ายจะถามว่าผู้ผู้พูดเนี่ยปฏิบัติถึงแล้วหรือยังขอตอบได้อย่างไม่ยากว่าถ้าปฏิบัติถึงเมื่อไรก็ถึงเมื่อนั้นถ้ายังไม่ถึงไม่ก็ไม่ถึง ในเวลาพูดนี่เอาหลักเกณฑ์ไหนมาพูดหลักเกณฑ์ในการพูดคนหนึ่งได้จากพระที่เข้าถึงมรรคผลสองได้จากคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ปรากฏมีในพระไตรปิฎกอ น, นุมีมากมายในพระไตรปิฎกที่พระพุทธเจ้าทรงยืนยันว่าพระพนิพพานมีสภาพไร้สูญอย่างที่ท่านพระมคคัลลัสถามพระพุทธเจ้า ว, ว่าพระนิพพานมีสภาพสูญใช่ไหม องทรงตอบว่าพระนิพพานกิเลสดับตัณหาดับดับกิเลสดับตัณหาและคันห้าได้สิ้นเจพระองค์ทรงตอบเท่านี้ท่น า, านทรงคายคันว่าการกล่าวว่านิพพานเป็นสภาพศูญย์ไม่เป็นความจริงเมื่อกิเลสดับตัณหาดับแล้วก็คันห้าดับอะไรมันเหลนะือถ้าฟังกันให้ดีคิดให้ดีแล้วจะต้องรู้ว่าจิตมันยังเหลืออยู่จิตไม่ไ ด, ดับ ไอสภาพของจิตคือสิ่งที่เป็นทิพแท้มันไม่ดับมันเข้าไปสู่พระนิพพานอันนี้แล้ที่พระนิพพานมีตัวมีตนไหมก็ตอบว่ามีตัวเป็นทิพตัวละเอียดถ้าใครอยากจะรู้พระนิพพานจริงๆก็ค่อยให้ปฏิบัติอย่างนี้ปฏิบัติในศีลให้บริสุทธิ์ทําสมาธิให้ตั้งมั่นเอากันอย่างดีที่สุดไปถึงสมาบัติแปด มาได้สมาบัดแปดแล้วก็กลับมาเจริญเอาวิปัสสนา ญ, ญาณให้แจ่มใสคนได้วิปัสสนาญาณแจ่มใสและชำระจิตให้เป็นทิพเมื่อทําจิตให้เป็นทิพแล้วตอนนี้แหละจะรู้สภาวะของพระนิพพานอย่างไม่สงสัยทําจิตให้เป็นทิพสามารถเห็นผีนได้เห็นเทวดาได้เห็นสรมมาโลกได้เห็นสภาวะของอรูปปรมได้แล้วก็จะเห็นพระนิพพานได้ ถ้าใครสงสัยเรื่องพระนิพพานให้ปฏิบัติอย่างนี้อย่ามัวเอาตำรามาเถียงกันคนที่ใช้ตำราถ้าพูดอะไรก็อ้างตำราอ้างตำร า, า, ำาตำราอย่างนี้ที่ว่าคนนั้นไม่มีสมรรถภาพในตัวเองคือว่าไม่มีความสามารถในการปฏิบัติพระพุทธเจ้ากล่าวว่าการปฏิบัติคือคุณงามความดีในพระพุทธศาสนาเป็นปัจจิตัง เมื่อใครปฏิบัติถึงและใครรู้เองเห็นเองความสุขมันจะเกิดขึ้นแม้แต่การปฏิบัติเข้าถึงพระพุทธศาสนาในขั้นเล็กๆแค่มีศีลบริสุทธ์ก็จะรู้สึกว่าคุณความดีของพระศาสนาให้ผลเป็นสุขถ้ามีสมาธิตั้งมัน่นทิชานสมาบัติจะรู้จักความเยือกเย็นของจิตจะมีว่ารู้ว่าจิตมีพลังมากจิตมีอนุภาพมากมีอารมณ์จิตสงบมากมีความสบายยิ่งกว่าศีล มาเข้าถึงขั้นมิปัสนาขั้นสูงสุดจะเห็นว่าโลกทั้งโลกไม่มีอะไรดีแต่ก็ไม่รําคาญชาวโลกเพราะรู้สภาพตามความเป็นจริงจิตของท่านวันนี้ย่ังเข้าถึงความสุขอย่างละเอียดที่สุดนี่เป็นสภาพของการปฏิบัติในพุทธศาสนาด้วยผลเราอย่าเถียงกันด้วยการอ้างตําราอย่าเถียงกันด้วยการอ้างขั้นความรู้ที่เรียนมาตามลําดับท่านตามําหรับตํารา และอย่าเถียงกันเดิมหน้าโยธาบรรดาักดนี่มันเป็นเหตุของอบายภูมิทั้งสิ่งรู้การยึดถือตำราเกินไปก็ดีอะไรอะไรก็เอาแต่ตำราตำราถืว่าอย่างนั้นถือว่าฉันเรียนมาถึงชั้นนั้นชั้นนี้แล้วที่ยังไม่ครบหรือว่าท่านมียศถาบรรดาศักดเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ที่ยังไม่ครบก็ไอการเกาะตำราก็ดีการถือขั้นอันดับในการเรียนก็ดี การถือยศถือศักดิ์ก็ดีอันนี้มันเป็นโลกกโลกีวิสัยแล้วเรียกว่าโลกก็ทำเป็นกฎของโลกไม่ใช่กฎของความเป็นพระอริยะแล้วคนยังติดอยู่ด้วยอำนาจกิเลสและตัณหาจะมองเห็นอะไรดวงตาของสัตว์และบุคคลมีสภาพของใสเพราะว่าดวงตาของบุคคลและสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นถ้าโดน เ, เอาใครเขาเอาโคลนเข้ามาปิดพุทธนาละเทอะไม่สามารถจะมองอะไรเห็น สภาพของตาที่ผอ่องใสจะสามารถเห็นอะไรได้ก็ไม่สามารถจะเห็นได้เมืเมื่อก็ไม่ต่างอะไรกับคนตาบอดแต่นี้อย่างเดียวที่ประสาทจิตสุขยังดีอยู่ถ้าสามารถลอกโครนตรมที่พอกในตาออกมาได้ให้หมดจดเมื่อไหร่เมื่อนั้นดวงตาก็จะแก่มใสสามารถจะเห็นสิ่งต่างๆได้ตามความประสงค์ข้อนี้มีอุปมาชนใดแม้แต่จิตของคนก็เหมือนกัน ที่คองคนที่ประกอบไปด้วยอำนาจกิเลสตะตันหาพ่อคูนก็มีสภาพของคนตาบอดไอ้คนที่เกาะตำราอ้างตำรับตำราคุยเสี่งโดยอาศัยตำราเป็นเชียนแตรวมความว่าสิ่งที่รู้มาทั้งหมดไม่ใช่รู้เองรู้แต่เพียงเขาว่าไอ้ตำราเนี่ยคนอื่นขเขาเขียนเขวาว่าไว้ไม่ใช่รู้เองไม่ใช่ปัด จ, จัดตังทติปุตตะเจ้าบอกจะต้องรู้เองทําให้ถึงเอง คนรู้เองทําให้ถึงเองเท่านั้นที่จัดว่าเป็นสาวบอกควาพระพุทธเจ้าจริงๆที่จัดว่าเป็นพุทธาสาวสนิจขจรจริงๆคนใดถ้ายังเก่งเพียงแค่จำราท่านว่าหรือเขาว่ามาบุคคลประเภทนั้นก็อปูนวงหัวได้เลยทีเดียวว่าบุ้คลประเภทนี้ยังเอาตัวไม่รอดจะ <c oughs> ป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงพระนิพพานแม้แต่หลังตนเองเขาก็ยังมองไม่เห็น